มาฆคุณมีตาความนิยมนับถือของทางพุทธศาสนาของเราถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งวันนี้เรียกว่าวันจัดรงคสันิบาตพพุทธเจ้าประชุมสงฆ์มีองค์สี่ประการคือวันนี้มันเป็น วันมาค่ะเดือนสามเพ็นมาค่าอืคือสามนั่นเองมาสามเพ็นนันเองนั้นองเงินหนึ่งองที่สองก็คือพ้าทิสุทั้งหลายมารวมกันนั่นพันสองร้อยห้าสิบองค์โดยไม่ได้เชื่อเชืดและัทนาแต่บางเอิญมาพร้อมๆกันเอาเลยในสิทธิ์ลาสวรรค์บาท องที่สามพิสูที่มาทั้งหมดนั้นล้วนเนี่ยจะเป็นพิ ก, A, กูุเอีพิษูจคือพระ เ, เจ้าบวชเององที่สี่ก็คือว่าองที่สี่ได้แก่วันนั้นเป็นวันมาฆคุณธรรมี <c oughs> เมื่อมาไปชุมพร้อมเพียงกันแล้วพระเจ้าก็แสดงโอวาทปาธิโมกเรียกว่าวิสุทธิบุตสุคือไม่ต้องสวดแสดงโอวาทปาธิโมกมีเนื้อคววงโดยจนย่อวัชพัพปาปัสการะนังการไม่ทำบาปกุศลสูะสัมภทธา ถึงพ่อเหนยอุศสนสาธิตตาปิโยเดป น, นงังสำระแจงตนให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นิสามประการในวันปชุมสนิบาตเช่นนี้นั้นพระพุทธเจ้าอาดีตที่ล่วงมาแล้วบางท่านบางองค์ก็ไปชุมท่าสงก็เป็นหมื่นมื่นบางท่านบางองค์ก็ไมายถึง แล้วบางท่านบางองค์ก็ไปชุมสามครั้งสองครั้งสองครั้งหรือสามครั้งไปเกินนั้นแต่ในศาสนาพระโคโดมเรมาคูของเราไปชุมครั้งเดียววันมหาชจันเช่นนี้ไปชุมครั้งเดียวเที่ยวมหาชจันนันแปรที่สุดก็คือว่าพระมารวมกันโดยที่มณีนิมนต์และกร่ลวนเดพระกินาศกวรหาหัน เป็นเอกวิสุดียกันเท่งนั้นวันนั้นเป็นวันเห็นวันโบกสดนี่จิงว่าเป็นวันมหัศึกจังจึงมีบรรดาผู้ศักษาที่กรชนทั้งหลายจิงเน้ถือเป็นพภณีเป็นเครื่องรึกถึงคุณงามคนดีและวันมหัศึกจังนั่นจนตลอดกาลจนป่านนี้ข้อสำคัญที่สุด จะมหาเจดจันอะไรก็ตามเถอะสิ่งที่เป็นของที่ควรระลึกและเป็นสิ่งที่เป็นสาระอย่างยิ่งก็คือสัจธรรมที่พระองค์จะเทศนาไว้ไม่เสื่อมคลายยั้งมั่นคงมาจนกระทั่งทุกวันเดียวนี้ใครปฏิบัติได้เข้าถึงหลักธรรมอันนั้น ทำนั่นก็เป็นของดีมีค่าอยู่ตลอดกาลเวลาเฉะนั้นวันนี้จะแสดงเฉพาะหลักทำสามประการการไม่ทําบาปทั้งปวงและประกอบด้วยกุสศนธรรมทำร่ำาดใจตัวนองใสสะอาดบริสุทธิ์สามประการเท่านี้ที่จะแสดงวันนี้บาปการไม่ทําบาป <c oughs> บาปในที่นี้พูดถึงเรื่องบาปของกายของใจบาปนั้นเป็นภาษาบาลีถ้าภาษาบ้านเราก็เรียกว่าสกปรกของหน้าเกลียดปาโปแปลว่าของสกปรกปาโปแปลว่าของหน้าเกลียดหรือความชั่วของสกปรกและของหน้าเกลียดนี่แหละเทียบไว้ในใจ บอกว่าการไม่ทําบาปคือไม่ทําของสกรปรกนี่คำว่าบาปในทีนี้คําว่าสกรปรกในที่นี่นะเห็นด้วยใจของตนอะไรเง็นจะเรียกว่าเห็นทำทำนรระรกุดีเจ้าเทศนาเป็นของจริงของมีแท้คำว่าจริงในที่นี้สกปกจริงจริงเป็นของมีจริงจริงไม่ใช่ไม่มีจึงไม่ว่าของจริงของแท้ แต่คนเราไม่รู้จักของสกปรกเลยไม่เห็นบาปเลยไม่เห็นความจริงของแท้เหตุ น, นั้นคนยังยากที่จะละของสกปรกหรือเห็นของสกปรกและเข้าใจเรื่ของสาอาเห็นของเน่าของปฏิกูลเข้าใจเรื่ของหอบเหตุ น, นั้นคนยังละได้ยาก ถ้าเห็นเม็นของสกปรกกันจริงๆกันของเห็นภายนอกของปดิกูลโสโคร่น้ำเน่าพร้อมด้วยสกปรกอีกด้วยกลิ่นกรเหม็นเน่าน้ำก็เป็นของสกปรกใครจะกล้าโผล่ลงไปอาบไม่มีใครหรอกแต่เห็นแล้วก็น่าที่จะเอียนไม่อยากเข้าไปใกล้งนั่นถ้าเห็นเันของสกปรกและเป็นของเน่า ดังคำที่ว่าปลาโปาในที่นี้คือความช่วยของสกปวกในทีนี้ไม่กล้าทำชิดดูงี้กันแล้วกันใจของเราเวลามันสก็ปลกมืดมิดเศราหมองสมมติว่าจะไม่พอใจในใครเรือจริงใดหนึ่งขึ้นมาทำให้ใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสและเบิดบาน จะพูดจะคุยกับใครก็มีแสดงปฏิกิยาการนั้นไม่ดีไม่น่าปรากฏออกมาแสดงอาการเศร้าหมองไม้เบิกบานเลยทิ้วพันณหน้าตากิริญามารยาททุกชิ้นทุกส่วนเ้าก็ปลกทั้งนั้นแล้วจะแต่งต้นแต่งตัวั แต่งแต่งตัวให้สวยสดงดงามสักณะามถึามันจะก็ปกภายในใจเราภายนอกก็ไม่น่าดูทั้งหมดเพราะใจมันจุกกระปกใจใหญ่ใจสามารถที่จะบังคับกายให้เป็นของเน่าไปด้วยเม่ใจเน่าแล้ะของไม่ดีเช่นเนี่ยควรจะจะทนว่าบาป บาดเริ่ต้นเกิดตรงนี้ใชก่อนต่อเ น, นั้นไปบาดนักไปพวกเก่าจะต้องประหัดประหารจะต้องพูดวาจาอยาบคายจะต้องประหัดประหารฆ่าฟันซึ่งกันและกันนักก็ทุกทีมืดมิดปิดม ด, ม ด, ดไม่รู้จักดีจักรู้แม้ตั้งแต่ผู้มีคุณบิ ด, ดามารดาจะฆ่าได้ย่างแล้วเคยได้ยังข่าในหนานั้นคือผิด ติตเหียอินยาเสพติดหน้ามืดขอสตางซื้อเหียวอินไม่ได้ข่าแม่ทุบแม่พ่อแม่เคยมีมาแล้วคุณไม่ตามหายไปไหนหมดปิดหมดเลย mm hmm. นั่นนะ่ะคือบาปยังไม่ถึงขั้นนั้นบาปถ้าถึงขั้นนั้นนไม่มีทางแก้ไขเราเห็นบาปภายในใจของเราเสก่อนคือความชั่ว เ็คิดชั่แท่านนั้นรู้ตัวซะก่อนแล้วเขเรียกแก้ไขย่าให้คนอื่นทันทีอย่างนี้ริงจะได้ชื่อว่าทำตามคำสอนของะขาปฏิจจาผู้ดใดอดกลั้นและอดทนต่อความโกรธคนนั้นได้ชื่อว่าทำตามโอวาทคำสอนของเราจาตถาคตมันอยู่ตรงนี้ได้ชื่อว่าเชื่อทาคำสอนปฏิจจ์ ผู้ใดเห็นคนอื่นโกรธไม่พอใจเราแล้วโกรธตอบคนนั้นได้ชื่อว่าเลวร้ายคนอื่นเปรียบเหมือนกัเขาคลุกขีกับของเน่าปฏิกูหรือว่าเขาอาบที่โคลนเน้นเน่าเ น, น้นหึ่งเลยนเราไปโจ น, นกับเขาอาบกับเขาได้ชื่อว่าเราเลวตัวเขา เพราะเราเห็นน่ะเป็นของเน่าของปฏิกูลเองสมมติวัณพวกนอนทั้งหลายแ่ละมันน้อยเยอะของเน่าของปฏิกูลเพราะมันเกิดในที่นั้นไม่รู้จักก่อนของเน่าของปฏิกูลเราเป็นคนเห็นของเน่าของปฏิกูลลงเป็นนอนจงเลือเขานั่นรอยเลอดเขานั่นใครจะดีก็กันใครเป็นคนเร็วใครเป็นคนดีนอนดีก็คนลวคนดีกว่านอนมีตงคิ ด, ด พระพุทธเจ้ายังว่าถ้าหากว่าเขาทําชั่วแล้วเราไปทําเอาก็เรียกว่าเราเลวกับเขาอยูตรงนี้ตรงที่จะเอากันจริงๆจั ง, จร ง, จร ง, จรงตรงที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือไม่เชื่ออยู่ตรงนี้ถ้าเชื่อเป็นพระพุพทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าเห็นแล้วไม่เชื่ออย่างนี้เรียกว่ายังไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า สาบวโกผู้ปฏิบัผู้ฝัและปฏิบัติตามพระองค์สุปฏิบัติโนโปฏิบัติดิปฏิบัติโกงคือเชื่อทำคาสองพระเจ้าพระเจ้าสอนของจริงของโกงแต่เราไม่จริงไม่โกงไม่โกงตามทำคาสอง พ, พระเจ้าสัพปะปัสสะไม่ว่าจะอันใดอันหนึ่งครบชั่วทั้งหมด อันนี้พูดเฉพาะอันเดียวเฉพาะเรื่องความโกรธความโลภความหลงมัวมอประมาททุกสิ่งทุกประการจังหวัดชาพภปาปัสษะความทุกข์โกกทั้งหมดไม่ต้องเอามากหรอกทาคาสัมเรียไม่ปฏิบัติมากปฏิบัติคิดเดียวเท่านี้แหละเรื่องเดียวเท่านี้แหละให้ได้ ให้ได้นจริงๆละตรงไหนได้ขนาดไหนก็ให้รักษาไว้ให้มันมั่นคงคือปฏิบัติแลนะกองเส้นกองวาได้ชื่อว่าเชื่อคำสอนของพระริจักอย่างนี่คัตจาหาก็ไม่รู้ถึงเรื่องความสกปรกแต่แล้วก็ไม่ทราบว่าจะแปลละสกปรกได้อย่างไง ปัญญาคือความรู้รู้ดีรู้ชั่วรู้ของสกปรกและของสะอาดนี่คือตัวปัญญาไม่ต้องเอาปัญญาอะไรมากมายหรอกเราจะเรียนศึกษาไปสัเท่ า, ทาไหร่ก็ตามเถิดถ้าห่างไม่รู้ไม่เห็นของสกปรกอย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่มีคุณค่าประโยชน์อะไรเกินการศึกษาเราเรียการปฏิบัตรก็เหมือนกัน จะปฏิบัตกิกี่ปีก็่ปีก็ตามเถิดถ้าหากเรายัางล่าอันนี้มน ไ, นไม่ได้ก็ยังไม่มีประโยชน์แก่เราเลยจึงไม้่ายิงยามให้เห็นคุณค่าประโยชน์ในการปฏิบัติและการศึกษาที่ระศึกษาเราเรียนแลวทศดทศฟังมาให้เห็นคุณค่าเหล่านั้นถ้ามันเป็นประโยชน์แก่ตนจริง เมื่อเป็นประโยชน์นเกิเมื่อเราทาได่อย่างนี้เราเรากล้าหารพูดได้กล้าหารพูดกล้าหารทำความรู้ท่าหากวา่ารู้ไม่ชัดไม่เจนและไม่จริงจังก็ไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรมวัวสุ่ ม, มไปพ็มีต่จะเรียนมีทต่จะรู้มีทต่จะเอา ทขั้มสอนพระเจ้าไม่ใช่สอนให้เอาสอนให้ละชั่วสิ่งที่ทุก็ปรกขั้งสอนพระเจ้าเหมือนกันกับสบู่เหมือนกับแสบให้ย้มที่จะชำระสองสองสกปรกถ่ายเดียวสิ่งสก็ปรกโสโครกจะต้องกําจัดออกให้หมดจึงจะทับเข้าป่าปัสสะกระนั้ ความชั่วไม่ทําศาสนาพระเจ้ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ใช้บังคับตัวยาทําควชั่วท่านก็ไม่พูดทังขณะนั้นความความชั่วไม่ทำเผาาื่อถ้าเห็นเนื้วตนเองไงมันบังคับตนเองเนาะถ้าพยายาุทธยจ้าบังคับก็ไม่มีประโยชน์มีตามันอาประชาจันบังคับไม่มีประโยชน์ เลือดร้อนถ้าบังคับก็ต้องเดือดร้อนหรือไม่ฉช่นั้นก็จะโกรธคนอื่นที่บังคับพ่อตนไม่เห็น <c oughs> <c oughs> ถ้าเห็นแต่ตนเองตราบใดแล้ว <c oughs> นั่นแหละจึงจะรู้สึกว่าเป็นของไม่ดี <c oughs> อย่างนิทานธรงมิทวินทุกกะ ที่เราพูดกันเสมอว่าเห็นกลงตักเป็นดอกบัวนิทานทั้นเล่าไว้ลูกชายคนเดียวอยากจะไปค้าขายทางเรือก็เขามันดารักที่สุดก็จะไปลำบากรากรรมไม่ยอมให้ไปทีการทุกิิธีทางวิ่งจะไปลงเรือไปข้ า, าเรือก็เขาแม่สากาัดกั้นไว้ พุกแม่ตายเลยพราองเรือไปกับเขาเกิดกาลคินีเรือไม่วิ่งเขาพาครับเสี่ยงทายกากาไในเมื่อเรือมาวิ่งเรือก็ต้องมีคนกาลาคินีแน่นอนจับฉลากถูกมิคเวินตุ ก, กาถึงสามครั้งคนนี้แน่นอนที่เดียวเป็นกาลคินีใส่แพรลอยไม่น้ําไปเลย ก็ ข, ขึ้นไปไปลอยไปข้างสถิตยุกเกาะอันหนึ่งกลางนะจะขึ้นไปบนเกาะ น, นั้นพอไปถึงบนเกาะ น, นั้นมีเปรดตัวหนึ่งคล้ายกันาทำกรรมอย่างเดียวกันกับเขานั่นะพาเม่อย่างเดียวกันมุ่กล้องจักมันผ่านไปบนชีรษะนั่นหมุนติ้วอ ย, อยู่เลือดนั้นอาบย้อยทั่วทั้งตัว เห็นดอกเห็นกองจักรเป็นดอกบัวไปร่องขอเขาเลือที่หยดย้อยทั่วทั้งตัวนะ่ะเห็นเป็นสายสอยเครื่องประดับเครื่องสงว่านร่องขอเขาเจต น, นั้นบอกว่าไม่ใช่อันนี้ของกงจักรต่างหากฉันเดือดร้อนจิตตายวิ่งอยู่เนี้ยไม่มีสงบสงัดเลยอันนี้ไม่ใช่สายสอยเครื่องประดับ ที่หยดย้อยนั้นเป็นเลือดจังหาไม่ยอมร้องขออยู่ไม่แล้วไม่หรอะทีเด็กคนนั้นกับมาคิดถึงไอ้ที่จะไปกรรมอย่างเราหรือเปล่าการเวลาที่เราจะพ้นกรรมแล้วหรืเอเปล่าทางนั่นจะยกให้ไปตั้งกร บ, บนที่สาพ อ, องจากรนั้นร้องจ้าเลยหมดทา ง, ท, างที่เขาพูดไปพูดนมา เห็นคลมจักเป็นดอกบัวคืออย่างนี้เองคนเราเห็นความชั่วเป็นของดีก็ฉันทาเหมือนกันเมื่อเห็นของชั่วป็นของดีกรรมมันที่เราทำนั่นแหะมันทำให้เดือดร้อนภายในใจของตนไม่มีทางแก้ไขได้ยิ่งว่าไม่รู้จักความชั่วแล้วจะจะละชั่วได้ยังไรต่อเมื่อเห็นแ้วตนเองอย่างเปรตท่วาเียก่อน เราคงจักมาถึงศีรษะตนหมุนติ้วเพราะฉะนั้นน่ะลองจ้าเลหมดหนทางไม่มีทางแก้ไครนีว่าพยายามให้ใช้ปัญญาให้รู้จักความชั่วเขาม า, า, เขามาปาเขาว่าปาเพคเขว่าบากเขามาชั่วในที่นี้จริงจะได้ ปาชัพปาปัสสะอันนั้นว่าที่เรื่องกรรมอันเดียวความชั่วอันเดียวแต่ในที่นี้ท่านว่าชัพปาปัสสะความชั่วคือบาปทั้งไม่ว่าบาปเล็กบาปน้อยแล้วพุทธเจ้าเทศนาย้าพิสูจน์ท่านไหยฟังว่าทายดทศีวามีเห็นโทษเห็นความผิดมีประมาณเล็กน้อยก็ไม่กล้าทำนั่นในพูดชคำละ ใจของตนเพื่ชำระกายว่าจจใจงองตนให้มันสะอาดต้องพยายามละอย่างนี้จิงจ <c oughs> ิเรียกว่าคน <c oughs> ชอบสะอาดสะอาดทั้งกายทั้งใจโดยเฉพาะกัเรื่องใจเป็นใหญ่พยายามชำระใจอยู่เสมอกูจะสาธาสอนให้ละไม่ใช่สอนให้เอาละสิ่งเล็กสิ่งน้อยตลอดึงสิ่งที่มันมากกูจะสูญสัมปทา ชอบใจในความสัอาดมันกลเงินขาขนของชั่วแล้วก็ชอบความสะอาดที่ทาว่าถึงพร้อมด้วยกุศลกุศโลกเบวกุศลกุศโลเบวกุฉลักคือว่าความฉลาดชื่อวกุศโลกุศละล ะ, ลลละลลมันมีความฉลาดทิพไไหวในตัวในการที่จะละทั่วีึงฉายานทางทุกอิธีทาง เห็นความชั่วและละคิดนึกรู้สึกภายในใจของตนเห็นชัดในความชั่วนั้นละพิญญาที่ปีติการความชั่วไม่เกิดขึ้นมาันในละไปแล้วไม่เกิขึ้นมาเหมือนจะเกิดขึ้นใหม่ก็พิญญามไม่เกิดต่อไปที่ท่านแสดงถึงเรื่องความเพียรจีบประกา ร, ช, ราากชั่วพิญญามละหมดชั่ว อันนึ่งหน้าความชั่วได้อยาให้มันเกิดขึ้นมาอีกอก็ในข้อที่สองข้อที่สามจเจริญความดีมันข้ อ, ข อ, อ น, นี้ึ้นมีน้อยก็ให้ไปหยามให้เกิดที่นี้ขึ้นเมื่อมีแล้วก็รักษาความดีนะั่งให้มันเสือส่อมสูญปัดจริงจะพอรู้จักพอคนเล่าหาท้าทะตาต่างผสมเล็กผสมน้อยค่อยเป็นทุน ฉังข้าหากว่ารู้จักเจ็บลิบลอมหอมไว้เจ็บเลขผสมน้อยค่อยได้ทุดได้อนขึ้นมามีวิชาความรู้โน้นบั่งนี้ว่ารู้ทั้งตาหูจมูกริงกายความคิดความนึกหรือใจเจ็บไว้ในภายในใจเมย่อทอดทิ้งคุณงามความดีที่เรามีแล้ว่ะได้กระตาม ให้มันมีเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่เราเกิดเนิจตาเกิดตาหีเกิดความอ่อนน้อมยอมสละมานะทิฏฐิเลขคอง ม, มัฉฌิยจะหนี่แน่วแน่เราหาดต่นั้นให้มันได้บ้างเห็นนั่นนั่นให้มันงอกงามตั้งมันอยู่ภายในใจของตนเห็นว่าอนี้เป็นผลชื่นนำความสุขความสบาย ใ, ใจมาแก่ตนในรักษานั้นไว มันเนี่กว่ารักดีเรารักความดีความชอบอย่าง น, นี้จึงรู้จักพอที่จะพอเปลี่ยนแต่า้าป ร, ป ร, ปรากกร ะ, ะนังละของสกปรกเห็นของชั่วแล้วชอบความสะอาดไม่ให้มันสกปรกต่อไปอีก ในข้อต่อไปสกิทธะปริโยจะปัดกันในตอนพ่ายคือวัชระใจแต่เดียวถ้าคิดใจนั่นแหละเห็นของชั่วละชั่วถ้าคิดใจเห็นของไม่ดีมันสกโปกแล้วรักษาความสะอาดก็าคิดใจนั่นแหละเป็นคนเห็นนั่นแหละเป็นผู้ชำระชำระจิตใจ อันร่างกายนะั้นชาระมันไม่มีที่ิ้นที่สุดหรอกอาบน้ําเหือ่อไขวันทั้สองหอนสาหอนมันก็เท่านั้นแ่ะใจไม่สะอาดแล้วมันไม่เห็นสะอาดอะไรเลยถ้าใจสะอาดอย่างเดียล่จะจ๊ะซล้วก็ปกเม้นหึ่งอยู่กับสามหรือร่างกายนี่นะใจไม่มีบาปแล้วไม่ตายไปตกนรกถ้าหายก็สะอาดตามพายนอกคือกาย ติดใจนั้นเองโปสชกโผลกอยู่ไม่สามารถจะพ้นจากนรมได้หลักรั้งสองพระพุทธเจ้าสอนเท่านี้อ่ะกินความครอบมัดทางจิตวิญานผู้ใดมาศึกษาเข้าใจตรงนี้แล้วอ่ะพุทธศาสนารู้ตลอดมดเลยเข้าใจตลอดมดเลย คนปฏิบัติได้เท่านี้แล้วก็ได้ช่วปฏิบัติหลักธรรมครั้งสองผู้เจ้าถูกต้องแล้วถ้าหากไม่เข้าใจศึกษาเท่าไหรกงไม่เห็นคำสอนของผูเจ้าไม่เห็นหลักของพูธศึกษาเลยอย่าพากันศึกษามาก oh. เรียนา่าศึกษาไปน้องมา ก, มากจับหลักไม่ได้ รักพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิบัติไม่ถูกชาวพวกเราคือว่าไนีเต็มบ้านตึงเมืองทั้งประเทศไทยเขเรียกว่าชาวพุทธเด่นที่สุดในโลกสมัยนี้นแต่ก็ชขา ก, ก็ปลกที่สุดแต่อย่างญี่ปุ่นเขาพูดวนนนี่ยคน18ล้านเป็นขโมยตั้ง20ล้าน มม่จัมาจางไหนอีกสองล้านถ้าะอะไรเพระอไม่มีหลักธรรมจักหลักธรรมไม่ได้ปฏิบัติศาสนาไม่ถูกแค่จริงพุทธศาสนาสอนสอนดีดีแต่คนปฏิบัติไม่ดีมันก็แค่นั้นศาสดาดีคำสอนดี แต่ผู้ปฏิบัติไม่ดีหมายเป็นผลผู้ปฏิบัติไอาศาสดาดีคำสอนไม่ดีผู้ปฏิบัติไม่ดีก็ไม่ได้ผลคุม่มขะศาสดาไม่ดีคำสอนดีผู้ปฏิบัติไม่ดีมันก็ไม่ได้ผลคือว่าดีทั้งาศาสดาผู้สอนคือมีธรรม มีคุณธรรมมีภูมิธรรมแล้วก็ขั้นสอนเป็นธรรมะยุติธรรมตั้งมัน่นในมิติธรรมมีเหตุมีผลนำไปปฏิบัติได้รับคุณค่าประโยชน์คุ้มค่าและผู้ปฏิบัติก็ตั้งใจปฏิบัติตามด้วยความพอใจความเลื่อมใสศรัทธา ไม่หลอกลวงตนในคนอื่นนั้นอหะจึงได้นลคุ้มค่าพระพุทธเจ้าของเราบัตถถิขึ้นมาในโลก ค, ครั้งแรกสะอาดเอกเป็นสะอาดีครั้งสอนก็เป็นน้องสอนที่ดีบรรดาพุทธสาวกทั้งหลายเกิดรว้แนเจผู้มีสัทธาเลื่อมใสตั้งใจปฏิบัติกรงไปกรงมาตามหลักธรรม ทั้งสองนอ้องผมจึงได้สำเร็จมาผลวิปัป็นาเนกกระกปรักไปเลยเป็นของมีคุณประโยชน์เหลือหลอมาให้พวกเราได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามการศึกษาให้ศึกษาจุดเดียวเรื่องอันเดียวไม่ใช่เรื่องของมากเรื่องพุทธศาสนา ที่ว่าทั้งเรื่องละบาปสมบูบุ์นั่นก็คือใจนั่นเองชำระใจนั่นเองดนั้นเมื่อเราจะละใจใจคนนั้นตัวนั้นละ ก, กเป็นนามาละบาปสมบนบุญใจนั่นแหละฝึกฝนใจให้เกิดปัญญาให้จักสิ่ง ท, ที่ดีที่ชั่วถ้าหากเราไม่ฝึกฝนใจมันก็เพียงที่เจาเป็นของกลางที่จะถือ เราเอาโครงการของกลา ง, ง, ลางามาพิจารณามาฝึกฝนให้มันเกิดความฉลาดขึ้นทิ้งของการและทิ้งไว้เฉยไม่มีประโยชน์คุ้มค่าเลยด้วยให้มันถึงตรงกลางไปก่อนแล้วยังค่อยดูตรงกลางอนั้นอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นคิดถูกดีช่วยหยาประเอียดเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วเราไปหยามจับอันนั้นแหละ รู้จะมีเชื่อพิดถูกอะไรเกิดขึ้นตรงกรันนั่นละละเชื่อทำดีต้งนั่นแหละนี่ที่บายถึงเรื่องมุขข้อในโอวาทปาทีงอกเทพุทธเจ้าทรงเทศนาในวันมาฆุทตมีในสมัยโน้น 2,520 ปีห่ากว่าเราทำอย่างนี้ถูกต้องอย่างนี้รถ ค่าของพระเจ้าทำแต่นู้นกับเมื่อนกันกับเดี๋ยวนี้แหละเล้วเาปฏิบัติถึงที่ถึงตรงนั้นแหละจะลึกถึงพระคุณของพระองค์ว่าแม่พระองค์เทศสมาทั้งมันเฉพาะที่สุดจับอกจับใจที่สุดหน้าเรื่องใส่หน้าเคารพบูชาหน้านำมาปฏิบททัติจริงๆเห็นคุณค่าของธรรมเทศนาทีครั้งกันน้นเหมือนกันกับครั้งนี้ในเวลานี้ ศาสนาจึงมาเสื่อมศูนย์กระจ่างมีรสชาติเท่าเดิมคนต่างหากถอยหลังคนเท่านั้นล่าหลังไม่ทันพุทธศาสนาเอาละเทศตรงนี้สถานีกคือกรมเรื่องใสนะ่นดอกไม้หอมกระชิดถึงของดีก็มาบูชาของ ด, องดีแต่มันใจนะมันไม่เข้าถึงธรรมะ คุปเจ้าสอนสอนธรรมะมที่ใจในราชทดศน์ทดีในรัิบาลมาแล้วคนมีอะไรก็อยากจะบูชาของหอ่อเส้นกะกร้าบูชาไม้เครื่องนุ่งผ้า่มผ้าเสือสวยที่้ผ้าโคกหัวก็ดีผ้าผมตวงเราก็ดีเสือสวยเอาบูชาเลียวควืง่งเพ่มปีติบูชาของดีกะดูที่จะเข้าสุข อาหารที่เราบริโภคมีรสชาติอร่อยจะชิดถึงของดีจะอยากจะบูชาของดีถ้าบูชากันเ่านั้นงั้นนี่นเรียกว่าอามิทจะบูชาถ้าเทียนจะบูชาของสายนอกมดเลยศาสนาไม่มีน ใ, นใครสาบซึ้งถึงหนึ่งหลักประจากของจริงถ้าเรามาปฏิบัติตามหลักคำคำสอนเป็นเจ้าอย่างที่ว่านี่ละชั่วทำดีเท่านั้นนั่นแหละบูชาแก่นแท้ ถึงหลักพุทธศา ส, สนา mm hmm. mm hmm. การยอมสล่า บ, บูชาแบบนีิวันนี้ใครไยจะบูชาด้วยปฏิปฏิบูชาก็ลองลองดูสิต่บูชาด้วยการนั่งพาอนาทำสมาธิ้วยการสมาทานศีลโดยการตั้งใจจะรักษาจิตใจของตนไม่ให้กัวงวลเกี่ยวของ ถ้าหากก็มันเกลียดมันโกรธก็บูชาพระเจ้าใชะถ้ามันกังวลผัวพันเกลียดความบูชาใช่อันน่าเป็นเครื่อบูชาใะมันก็เอาดอกไม้บูชานั้นเราเด็ดออกจากขั่วมาใชเด็ดเราจากต้นหล่ะมดห่วงใหญ่ดอกไม้ไปในห่วงใหญ่ต้นมหนึ่งอกถ้าเด็ดไปแล้วท่านี้ที่มันห่วงใหญ่ชนนั้นมันยังไม่ได้เด็ดใจของเรายังห่วงใหญ่ไม่ได้เด็ด ครัน้นี้เราเด็ดเอาไปเซบูชาพระเจ้าเถะนี่อย่างจริจะเป็นปฏิปฎิบูชาแค่จะบูชาเอาแร้วยังจะหวงเขาไปปลูกอีกก็เอานั่ใช่ดายก็เอา <laughs> ร่างกายชีวิตจิตใจของเราเคยบูชาโลกมาแล้ว ความโกรธความโลภความหลงความรักความชังเราบูชาหมาหมดแหละมันได้อะไรบ้างมีความทุขขนาดไหนหากเรามาตั้งใจบูชาอย่างที่ว่าเนะี่ยบางทีอาจจะได้ความสุขยิ่งกว่านั้นก็ได้เพราะเรานี่ไม่เคยต้องดทดลองบูชาลองดูถึงจะดีเหมือนันถ้าเห็นวนะเป็นของดีของดีเราจะได้ชอบใจที่หลังก็จะได้บูชาได้ง่าย อันนี้เรายังไม่เคยบุญช่ายังห่วงเห็นดิบ้างจะบุญช่าก็กลัวจะหมดจะสิ้นถ้าเราพาลองดูสักวันหนึ่งสักคืนหนึ่งพอได้กลับความสุขความสบายเพราะเหตุที่เราได้บุญช่าอย่างที่ว่านี้แล้วทีหลังบุญช่ายง่ายง่ายเด็กบุช่ายเมื่อใดๆเดอกไม่ไปหามายาก ต้เามาจากที่อื่นถ้ามันมีก็ต้องซื้อสแตนต้องหมดสแตนอันนี้มันต้องซื้อยากนียอะในตัวของเราบูชาทีเทิดบูชาคุณเพื่อเพื่อเพื่อแล้เจื่อทำให้รับตกฟองไม่รับอันิพ้านไปแล้วบูชาคุณคุณคือที่ท่านสอนให้เรารู้จักเราเราลึกขึ้นคุณนั่นแล้วก็เด็ดบูชาแล้วก็หมดเรื่องกันไปน้าวัวพูดบิน บุญช า, าผมว่ามึงนี่อืมมาเนี่ยเสดายศาส น, นาคือการสำรวมใจที่มันสำรวมไม่คือมันส่งน้อมจงนี่อันนั้นเราเราต้องเด็ดทิ้งอบุญชาพุทธธรรมสม เราไม่ต้องเอามาไว้ที่ใจของเราปล่อยเสียเอาพุทโธไว้ที่ใจให้จิตใจให้ใจแน่วอยู่กับพุทโธแห่งเดียวพุทโธเรื่องเดียวเรื่องอะไรที่มันคิดนึกสงสยัยวุ่นวายต่างๆเด็ดทิ้งมดลิบทิ้งเด็ดเ็ดทิ้งถ้ามันยังเหลือจะตัวพุทโธให้อยู่ตรงพุทโธนะอันเดียว มีการปฏิบัติบูชาตามเอาแบบนี้นั่งนานๆเข้ามันเกลียดการบูชาเสียมันเหน็ดมันเหนื่อยปวดเมื่อยนั่นนี่ต่างการบูชาเสียอย่ามีอยู่ที่ใจของเราสารพัดเครื่องบูชาเยอะในตัวของเราอย่าไปห่วงแหนไหนๆแล้วก็ตั้งใจจะบูชาแล้ววันนี่มันหมดแล้วคือสิ่งทุกอย่างมันเหลือที่ตัวของเราคนเดียวคิดใจอันเดียวแล้วก็แล้วกัน อันนี้แหละไม่เอาอะไรมากมายหรอกเอาพากันทํา